วิธีท่านฝึกทรมานใจด้วยอุบายต่างๆกันนั้นเป็นเทคนิคของแต่ละท่านที่จะคิดหาอุบายฝึกฝนตัวเองซึ่งแตกต่างกันไปเป็นรายๆบางท่านนอกจากไปอยู่ในป่าในเขาเป็นที่น่ากลัวแล้วท่านยังคิดอุบายพิเศษเพื่อเหมาะแก่การสถานที่และเหตุการยิ่งขึ้นไปอีกเช่นขณะไปอยู่ในที่เช่นนั้นแล้วเวลาจิตเกิดความกลัวขึ้นมาในเวลากลางคืน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 พูดถึงหัวเสือหัวเราก็มีพูดถึงตัวเสือตัวเราก็มีพูดถึงตาเสือตาเราก็มีพูดถึงลายเสือลายที่สักตามแขนขาหรือฝีไฟเราก็ยังมีพูดถึงหางเสือแม้ตัวมันเองมันยังไม่เห็นกลัวแล้วเราจะกลัวหาประโยชน์อะไรพูดถึงใจเสือกับใจเราก็เป็นใจเหมือนกันยิ่งใจของเราเป็นใจของคนของพระ ก็ยิ่งมีคุณภาพสูงกว่ามันเป็นไหนๆแม้อวัยวะส่วนต่างๆของเสือกับของเราก็มีสิ่งต่างๆแห่งธาตุเป็นส่วนผสมเหมือนกันไม่มีอะไรผิดแปลกและยิ่งหย่อนกว่ากันพอจะให้กลัวกันเลยใจเสือเป็นใจสัตว์ส่วนใจเราเป็นใจพระและมีธรรมะในใจจึงมีคุณภาพและอำนาจสูงกว่าเสือจนเทียบกันไม่ได้แต่เหตุชนไหน จึงกลับลดคุณภาพและศักดิ์ศรีของพระลงไปกลัวเสือซึ่งเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งเท่านั้นได้มีเป็นการขายตัวซึ่งเป็นพระทั้งองค์ไปลหรืออีกประการหนึ่งพระศาสนาซึ่งมีความวิเศษอัศจรรย์ครอบโลกทั้งสามแต่อาศัยพระขี้คลาดหวาดกลัวพาให้เกิดมนทินก็จะพลอยมัวหมองและเสื่อมเสียไปด้วย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 มีเช่ตายแบบนักโรบในสงครามซึ่งเต็มไปด้วยความเชื่อกรรมและอาจหานต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจำเพาะหน้าเราเป็นพระกรรมฐานทั้งองค์จึงไม่ควรตายแบบนี้แต่ควรตายแบบนักโรบจบชีวิตในสงครามด้วยความกล้าหารชาญชัยจะเป็นการทรงเกียรติของตัวและพระศาสนาไว้ประดับโลกให้รับสืบทอดต่อไปตลอดกาลนาน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 ความเป็นอยู่ของจิตที่ระ ง, งับจากการใช้อายตนะคล้ายคลึงกับขณะหลับแต่ไม่ใช่หลับขณะหลับมิได้มีความแปลกประหลาดใ ด, ดแสดงออกในเวลานั้นแต่ขณะจิตสงบเต็มที่มีความแปลกประหลาดแสดงออกอย่างเต็มตัวและมีความสักแต่ว่ารู้ประจำความสงบอยู่ในขณะนั้นความหลับธรรมดาที่ทั่วไปยอมรับผลของมันนั้น ต่างกับความสงบจิตอย่างละเอียดที่ผู้นั้นยอมรับผลจากสมาธิภาวนาของตนผล น, นั้นทำให้ติดใจอะไรอววรอยู่เสมอไม่จืดจางผล น, นิลาที่ทำให้ผู้เคยได้รับเกิดความมั่นใจและกล้าหาญต่อวิธีฝึกทรมานตัวตามแบบนี้ในวาระต่อไปผู้ที่เคยประสบผลมาแล้ว ความกลัวจะเกิดขึ้นมากมายเพียงไรก็ไม่มีความย่อท้อและยังถือความกลัวเป็นเครื่องเตือนใจที่จะทรมานทั้งความกลัวและคว้าเอาชัยชนะมาครองอย่างองอาจดังที่เคยประสบมาอีกด้วยนี่แหละเป็นสาเหตุให้ท่านส่อสแสวงหาแต่ที่กลัวๆเป็นที่บำเพ็ญที่กลัวมากเพียงไรท่านยิงมุ่งหน้าไปพักบำเพ็ญอยู่ที่นั้นเพราะการฝึก ทั้งที่ใจกำลังแสดงความผาดโผนอยู่ด้วยความกลัวจนเกิดความกล้าหาญประจักษ์ขึ้นมาโดยอุบายสติปัญญาที่ทันต่อเล่ห์เหลี่ยมของใจเป็นสิ่งที่ท่านปรารถนาอยู่แล้วอย่างเต็มใจที่ว่าสถานที่น่ากลัวนั้นน่ากลัวจริงๆเพราะเป็นป่าเสืออาศัยอยู่เป็นประจำและชอบเดินเที่ยวหากินผ่านไปมาอยู่เสมอ บางแห่งแม้กลางวันแสกๆเสือยังเที่ยวไปมาก็ยังมียิ่งกลางคืนด้วยแล้วก็เป็นทำเลเที่ยวของมันโดยสะดวกและไม่ค่อยกลัวคนด้วยผิดกับเวลากลางวันอยู่มากเป็นเพียงแต่มันไม่ค่อยสนใจกับคนนักเท่ากับสัตว์ที่เคยถือเป็นอาหารของมันถึงแม้เดินผ่านไปมาบริเวณที่พักอยู่ก็เป็นเหมือนไม่มีถ้ามันไม่ร้องครางขึ้นให้ได้ยิน